เรื่องทำไม่ยากหนึ่งเรื่อง225ยสสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายถามท่านว่าท่านมีอุตริมนุษธรรมอยู่หรือท่านตอบว่าการมรุลุอรรัตผลทำได้ไม่ยากท่านเกิดความกังวลใจว่าเฉพาะภรรยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่ควรกล่าวอย่างนั้น แต่เราไม่ได้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเราต้องอบัติปาราชิกหรือนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดพระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่มีความประสงค์จะกล่าวอวดไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่สิบห้า